การเลือกในการดำเนินชีวิตของเรานี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเลือกเลือกจะเรียนที่ไหนเลือกจะมีอาชีพอะไรจะเลือกใครเป็นคู่ครองแต่ว่าสิ่งสำคัญก่อนนั้นเนี่ยก็คือการเลือกระหว่างดีกับชั่วนี่เป็นพื้นฐานเลยนะ และแม้ว่าเราเลือกความดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบแค่นั้นนะมันยังมีหลายจุดหลายช่วงเวลาหลายประเด็นที่เราเื่ อ, องเลือกจะเอาความดีหรือจะเอาความชั่วจะเอาบุญหรือจะเอาบาปอันนี้มันเป็นาการเลือกพื้นฐานเลย แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะเรายังต้องเลือกระหว่างถูกต้องกับถูกใจด้วยอันนี้เป็นการเลือกที่อาจจะยากกว่าเพราะว่าบ่อยครั้งมันก็ไม่เกี่ยวกับความดีความชั่วแต่ว่ามันเป็นการเลือกที่จะส่งผลนะจะเป็นคุณหรือโทษนะกับชีวิตของเราก็ได้ บางครั้งเนี่ยมันก็เห็นได้ไม่ยากนะระหว่างถูกต้องกับถูกใจมันต่างกันอย่างไรอย่างเช่นการเสพเนี่ยเช่นการกินอาหารเนี่ยถูกต้องก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่เกื้อกูลต่อสุขภาพรวมทั้งมีจุดมุ่งหมายที่ เป็นไปเพื่อส่งเสริมนะการดาเนินช่วทยที่ดีงามอย่างที่เราเพึ่งสวนมะสักครูเนี่ยกินอาหารก็เพื่ออนุเคราะห์กับการประพฤติพรหมจรรย์แต่ถ้าหากว่าถูกใจเนี่ยก็คือการกินเพื่อความเ อ, เรอร่อยเพื่อความเพิดสนุกสนานเพื่อความโก้เก๋แต่แม่เลือกว่าจะเอาความถูกต้องแล้วก่อนก็ไม่ใช่จะง่ายนะเพราะว่า รู้ว่าควรจะกินเพื่ออะไรแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่จะเอาความถูกใจเป็นหลักกินเพื่อความมาดเดอร่อยทั้งที่รู้ว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีปัจจัยอีกสามอย่างนะที่เราต้องเลือกนะว่าจะเสพเพื่อความถูกใจหรือความถูกต้องสามอย่างนี้ก็ ได้แก่เครื่องนุ่งห่มนะยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะอันนี้เรียกว่าปัจจัยรวมกันเ ป, ป็นปัจจัย4การใช้ช่วยของเราการใช้เงินของเราก็เหมือนกันนะเราต้องเลือกนะระหว่างความถูกต้องความถูกใจจะใช้เวลาเพื่ออะไรนะเพื่อปนเปร์ตนเองด้วยความสุขสนานความบันเทิงเรืองรม หรือว่าใช้เวลาเพื่อความถูกต้องเช่นการศึกษาหาความรู้การปฏิบัติธรรมหรือว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหลายคนก็รู้ว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรนะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่จะโอนเอียงไปในทางสิ่งที่ถูกใจอย่างเด็กนักเรียนเนี่ยนะ ก็รู้ว่าขยานขันแข็งเนี่ยเป็นของดีแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะเสียเวลาไปกับเกมออนไลน์นะหรือว่าความสุกสนานการใช้เวลานะการใช้เงินถ้าว่าเราเอาความถูกใจเป็นหลักนะมันก็อาจจะมีความเพลิดเพลิน ชวครูช่วยยามแต่ว่ามันก็สุดท้ายนะก็เกิดผลเสียเสียผู้เสียคนกันไปไม่ใช่น้อยนะเพราะคิดถึงหรือคำนึงแต่ความถูกใจเอาแต่เสพเอาแต่เที่ยวงานการไม่ทำรวมทั้งเอาแต่นั่ง น, น, น, น, น, นอนนอนะไม่ออกกำลังกายไม่ขยี้ขยับร่างกายหรือว่าไม่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่ถูกใจเนี่ยมันมันมีสเสน่ห์นะมันมีแรงดึงดูดใจผู้คนมากแต่บักจะเป็นโทษในขณะที่สิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันต้องทวนกระแสกิเลสและต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาไม่มีสติก็พ่ายแพ้แต่อกิเลสไม่มีปัญญาก็ทําในสิ่งที่เป็นโทษนะต่อชีวิตสุขภาพ หรือว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่นคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่สามารถจะมั่นคงในความถูกต้องได้เนี่ยมันก็จะถูกพลัดหลงไปกับความถูกใจแล้วถ้าเราไม่มีหลักตรงนี้ไว้เนี่ยมันก็เรียกว่าชีวิตของเราก็ต้องลอยหรือว่าไหลไปตามกระแสกิเลสที่จรงเราใช้หลักนี้ได้นะไปกับไปกับเรื่องต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วยของเราเช่นเวลาเจอคำตาหนิคำวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กรท่ต่อว่าดาชอเนี่ยถ้าเราเอาความถูกใจเป็นหลักก็จะมีแต่ความโกรธความโมโหความไม่พอใจซึ่งก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยแต่ถ้าเราเลือกความถูกต้องเนี่ยนะเราก็จะ อันกับพิจารณาวาเออที่เขาพูดมาจริงไหมเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะงถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยแม้คำตำหนิมันก็มีประโยชน์อย่างอดีตเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยคุณเล็กวิริยพันธ์แกพูดเสมอนะวันนั้นไม่ถูกตำหนิมันนั้นเป็นอัปมงคลที่พูดงี้พ่อจกเห็นว่าคำตำหนิมันก็มีประโยชน์ พิจารณาให้ดีก็เป็นมงคลเพราะว่าจะเอาความถูกต้องเป็นหลักก็คือพิจารณาว่าไอ้คาตาหนิมันมีประโยชน์มันถูกต้องไหมถ้าเรารู้จังมองในแง่นี้เนี่ยนอกจากจะไม่ทุกข์หรือขับแค้นเพราะคำตาหนิยังได้ประโยชน์ด้วยทุกวันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ย แม้ว่าจะมีความรู้เยอะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยใจไปตามความถูกใจเป็นหลักไม่ใช่น้อยนะอย่างเวลาเราดูเขาเล่นกีฬากันเนี่ยเวลาเราเชียร์ทีมไหนเนี่ยในมาชีมทีมที่เราเชียร์เขาอาจจะโกงตุกติก ทำฟาวเราออจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องแย่เลยจัาบไดที่ทีมของเรานี่ชนะทีมของเราเนี่ยเราพร้อมจะเชียร์ให้เขาประสบใจชนะแม้ว่าเขาจะโกง <c oughs> แม้่เขาจะโกงนะเราก็ไม่รู้สึกเป็นเรื่องเสียหายเลยกลับยินดีด้วยซ้ำในการตรงข้าม ทีมที่เราไม่เชียร์หรือทีมที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของเราเนี่ยหรือคู่แข่งของทีมที่เราเชียร์เนี่ยเวลาถูกกรรมการกันแกล้งจับฟาวในจุดโทษทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดทำผาผาดอะไรเลยคนหลายคนก็ดีใจนะ ดีใจที่ทีมคูต่ตรงข้ามเนี่ยนะกำลังจะเสียประตูดีใจที่ทีของตัวเองเนี่ยกําลังจะได้ชัยชนะโดยที่ไม่สนใจเลย ว, ว่าเนี่ยไอ้ชัยชนะของทีมเราเนี่ยหรือทีมที่เราเชียร์เนี่ยนะมันเกิดจากการถูกกลั่นแกล้งนะของกรรมการหรือความผิดพลาดของกรรมการแล้วหลายคนก็พอใจนะที่ มันจะลงเอยแบบนั้นเพราะว่าคำหนึ่งตั้งแต่ชัยชนะของทีมตัวถึงแม้ว่าชัยชนะนั้นมันจะมาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือว่าสกรปรกเนียทีนี้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะว่าชัยชนะมันจะมาได้โดวยวิธีใดเนี่ยขอให้ชนะก็แล้วกันส่วนความถูกต้องนะส่วนจะได้มาด้วยความถูกต้องหรือไม่ฉันไม่สนใจ แล้วก็อาจจะเอ อ, อ, อหอมบกหรือยินดีด้วยหากว่ามีการโกงกันเพื่อให้ได้ให้ทีมตัวได้ใช้ชนะนัล่ละดีนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะเกมกีฬายอย่างเดียวนะในทุกวงการเล ย, ยนี่ผู้คนก็สนใจแต่ใช้ชนะใช้ชนะของคนที่ตัวเองสนับสนุนนะหรือว่าใช้ชนะของ กลุ่มคนที่ตัวเองเนี่ยเชียร์ด้วยส่วนทีนี่เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคนที่เราไม่ชอบเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันความเห็นแตกต่างกันหรือเพราะว่าอยู่คนละฝ่ายกับเราถนะามว่าเขาถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายคนก็ยินดีนะ ทั้งที่ไอการถูกด่าทอด้ว ย, ายควาี่อยากคายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรการที่ถูกด่าทอด้วยความหยาบคายนั้นมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจผู้คนพอถูกใจผู้คนเขาก็เลยเกิดความยินดีแล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่การต่อว่าด่าทอหรือการวิจารด้วยคำหยาบคายบางีมีการทาร้ายร่างกาย เวลาคนที่เราไม่ชอบนี่ทั่วถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยพวกหลายคนนี่ดีใจนะเพราะว่ามันถูกใจเขาทั้งที่มันไม่ถูกต้องเลยไปทำร้ายร่างกายมันถูกต้องไดงนะหรือบางทีก็มีการกลั่นแกล้งกลั่นแกล้งด้วยวิธีการสารพัดหลายคนบ่อเ็นคนที่ตัวเองไม่ชอบ หรือคนที่กลุ่มคนที่เป็นคนละฝ่ายกับตัว เ, เนี่ยถูกกลั่นแกล้งเนี่ยเขาดีใจนะเพราะมันถูกใจเขาทั้งที่การกลั่นแกล้งนี่ยมันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเลยบางทีก็มีการกลั่นแกล้งถึงขั้นจับเข้าคุกจับเข้าตารางโดยไม่ถูกต้องแต่ ผู้คนก็จำนวนมากก็ยินดีดีใจเพราะว่าอะไรเพราะมันถูกใจใครที่เราไม่ชอบหรือว่าคนที่เราเห็นเป็นศัตรูถ้าเกิดเขามีอันเป็นไปผู้คนก็จะดีใจทั้งที่มันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นกันเยอะเลยนะในท่าทุกวงการเลยล้วเป็นกันทุกฝ่ายด้วยไม่ว่าตั้งแต่เรื่องการกีฬาเปลี่ยนจนเรื่องการเมืองหรือแม้กระทั่งในบูคคลที่ตัวเองเกี่ยวข้องนะเวลาเราไม่ชอบใครแล้วเขาเกิดงานเป็นไปขึ้นมาถูกกันแกล้งถูกกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรม เ้าใว่ามันถูกใจก็เลยดีใจโดยที่ไม่ได้คำนึงว่ามันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงนี้เดี๋ยนี้เป็นปัญหามากเลยนะถ้าคนเราเนี่ยไปยึดเอาความถูกใจมาเอาความถูกต้องไปสนใจแต่ชัยชนะโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันยุติธรรมไหมมันถูกต้องไหมตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะ มันไม่ได้เป็นปัญหาต่อส่วนรวมมันไม่ได้ก่อความทุกข์ให้กับคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะแต่มันเป็นพลร้ายต่อจิตใจของเราถลกระทบเพราะาคนเราเนี่ยเอาความถูกใจเป็นหลักโดยไม่คํามึงนความถูกต้องเนี่ยสนใจแต่ใช้ชนะโดยที่ไม่มีไม่สนใจว่ามันเป็นมันเกิดจากความยุติธรรมนะความเป็นธรรมไหม มันจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเห็นผิดเป็นชอบมากขึ้นมันส่งผลต่อทัศนคติต่อทิฏฐิของเราต่อความเห็นของเราแล้วคนเราเนี่ยมันต้องรู้ จ, กจกักแยกแยกผิดชอบชั่วดีถ้าไม่รู้จักแยกแยกผิดชอบชั่วดีเนี่ยต่อไปมันก็จะเห็นผิดเป็นชอบเกิดมิจฉาทิฏฐิแล้วมันจะนำพาชีวิตเนี่ยไปสู่ความเสื่อมได้ ย่่งอันนั้นนะมันก็ยังเปิดช่องให้กิเลสครอบงำเพราะคนเรานี่ถ้าเอาความถูกใจเป็นหลักเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกอะไรมันถูกมันถูกกิเลสนะมันถูกกิเลสมากกว่าถ้าเราเอาความถูกใจเป็นหลักก็คือการยินดีกับการปลดเปลดอกกิเลสเป็นการยินดีในการให้อาหารกับกิเลสก็กิเลสไม่จะครอบงำจิตใจเรามากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นผลลายต่อเรา พอสุดท้ายเนีพอกิเลสคล้องกังเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ได้ง่ายกิเลสคล้องกําใจเมื่อมากมาเท่าไหร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ง่ายเท่านั้นอย่างก็คือว่าคนเรานี่ถ้าว่ายินดีในสิ่งที่ถูกใจเนี่ยมันง่ายนะที่จะทุกข์นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ถูกใจเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดในชีวิตเรามันก็มีทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจถ้าเราเจอสิ่งถูกใจแล้วเรายินดี พอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็เกิดความยินร้ายเกิดความทุกข์ที่เคยหัวเราะนะก็กลายเป็นร้องไหนะ้ที่เคยดีใจก็กลายเป็นเสียใจเพราะว่าในสิ่งที่มันจะถูกใจเรามันไม่ได้มีตลอดถ้าเราเอาความสุขของเราไปผูกติดอยู่กับความถูกใจนะถึงเวลาเจอความไม่ถูกใจมันก็จะ กลายเป็นทุกทันทีไอสิ่งที่ถูกใจเนี่ยมันสิ่งที่หนีไม่พ้นนะแต่ว่าเราก็อย่าไปยินดีกับมันมากถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนะมั่นคงเอาไว้เพราะมัช่วยทําให้คุณธรรมในใจของเราจเจริญงอกงาม คนสมัยก่อนนะทั้งๆ ท, ที่ฟันฝ่าเรียกว่าขับเคี่ยวกันถึงเอาเป็นเอาตายเนี่ยเพื่อแย่งชิงอำนาจแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ยังคำนึงถึงความถูกต้องนะตอนที่ซีซ่าเนี่ยแย่งชิงอำนาจกับปอมเปเนี่ย ปอมเป้เนี่เป็นคู่แข่งสําคัญเลยนะและซีซ่าต้องการยึดอํานาจแย่งอํานาจจากปอมเป้เนี่ยปอมเป้นี่ก็ต่อสู้ขัดขืนเกิดสงครามกลางเมืองสุดท้ายเนี่ยปอมเป้ก็ต้องหนีสู้ซีซ่าไม่ได้หนีไปอียิปต์นะเพราะว่าอียิปต์นี่เป็นพันธมิตรกับปอมเป้แต่ปรากฏว่าอียิปต์เนี่ยผู้ปกครองเนี่ย ต้องการต้องการประจบซีซ่าพอซีซ่าเนี่ยมีหวังว่าจะเป็นผู้ชนะก็เลยจัดการรอบสังหารปอมเปซีซ่าพอรู้นี่โกรธเลยนะทั้งที่การตายของปอมเปเนี่ยมันทำให้ซีซ่าเนี่ยครองอานาจสมบูรณ์ด้ในกรุงโรมความตายของปอมเปเนี่ยมันถูกใจซีซ่าแต่ซีซ่าเหว่ามันไม่ถูกต้องนะ เพราะว่าปอมเป้เนี่ยเขาไปอียิปต์เนี่ยเพื่อไปเพาะเข้าไว้ใจพันธมิตรแต่พันธมิตรนี่กับทรยศหักหลังไปรอบค่าปอมเป้เนี่ยซีซานนี่แทนที่จะให้รางวัลอียิปต์นะกับลงโทษเลยเพราะเห็นว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะตั้งที่ปอมเป้นี่ก็เป็นศัตรูนะ แต่ว่าถ้าหาว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับศัตรูนี่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากซีซ่าก็เลยลงโทษคนที่รอบสังหารปอมเปย์แล้วก็จัดพิธีศพอย่างสมเกียรติให้กับปอมเปย์นี่แสดงว่าเนี่ยเขาคำนึงความถูกต้องนะแม้ว่าเขาจะได้ชัยชนะแต่ถ้ามันเป็นชัยชนะที่มันไม่ถูกต้องนี่เขาก็ไม่ได้ยินดีด้วยตอนที่ โจโฉเนี่ยสู้กับลิปโป้เนี่ยโจโฉพ่ายแพ้ชักมานหนีเตียวเลี้ยวเนี่ยนะปนฐานเอกลิปโป้เนี่ยอยู่ข้างหลังนะเป็นมือเป็นมือเกาทันเลยก็ยิงธนูเลยนะแต่ว่าแทนที่จะยิงหลังนะกับไปยิงที่มวยผมโจโฉลอดตายตอนหลังโจโฉเนี่ยจับเตียวเลี้ยวได้ จะประหารชีวิตเตียวเลี้ยวสักถามก็ได้ความจริงสักถามว่าทำไมเนี่ยจึงไม่ยิงข้างหลังทำไมเตียวเลี้ยวไม่ยิงข้างหลังโจโฉเตียวเลียวบอกว่าเราไม่ยิงเราไม่ฆ่าคนข้างหลังโโหโจโฉนี่ทึ่งมากเลยนะถ้าเตียวเลี้ยวนี่ฆ่าโจโฉแต่ตอนนั้นเตียวเลียวนี่ก็เรียกว่าได้ดีได้ดีไปแล้ว แต่ว่าเตียวเลียวเนี่ยเขาถือว่าการฆ่าคนข้างหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจงใจยิงไปที่มวยผมของโจโฉและถึงแม้เขาต้องชดใช้นะชดใช้คุณธรรมข้อนี้ด้วยการที่ต้องกลายเป็นนักโทษประหารของโจโฉเนี่ยแต่เขาไม่หวนไหวเลยแต่โจโฉก็ดีน ะ, ะทราบซึ้งน้ําใจของเตียวเลี้ยวเออเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนที่ยึดความถูกต้องนะ คือไม่ได้คิดแต่จะเอาชัยชนะคือคนซีซ่าก็ดีโจโฉก็ดีพวกนี้เป็นประเภทที่ว่ามุง่งเป็นผู้ที่โลภอำนาจหวังเป็นใหญ่เป็นโตแต่พวกนี้ก็ไม่ได้คิงแต่ชัยชนะอย่างเดียวนะเขาคิึถึงความถูกต้องด้วยชัยชนะท้ามาด้วยความไม่ถูกต้องนี่เ้าก็ไม่ยินดีนี่มันแสดงยงสำนึกนะสำนึกของความถูกต้องนะว่า แม้ ว, ว่าจะมุ่งนะอำนาจอยากจะใหญ่อยากใหญ่อยากโตซึ่งรื่ในแบบสิ่งที่ถูกใจนะแต่ว่าก็คำนึงในความถูกต้องนี่ก็เป็นคุณธรรมนะของคนที่เรียกว่ามุ่งความยิ่งใหญ่ทางโลกนักปร า, าะไรเลยคนที่ฝ่ายในธรรมะหรือมีคุณธรรมเนี่ย ก็ยิ่งต้องใส่ใจความถูกต้องมเมื่อความถูกใจแต่เดี๋ยวนี้นี่เราเห็นนะโหแม้ก็ต้องคนที่บอกว่าเป็นคนฝ่ายธรรมะคนที่ฝ่ายความถูกต้องเนี่ยแต่สนใจใชัยชนะของฝ่ายตนมากความถูกต้องเวลาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพ่ายแพ้เพราะถูกกันแกล้งนิ้ว ย, ยินดีกันใหญ่เลยนะปาเปื้นกันใหญ่ชั้งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อันนี้เพราะไม่แยกแยะระหว่างความถูกใจความถูกต้องผลที่ได้อาจจะถูกใจนะแต่ไม่ควรยินดีตราบได้ที่มันไม่ถูกต้องหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าไม่ควรจะยินดีในความไม่ถูกต้องแม้ว่าผลที่ผลที่ได้มันจะถูกใจก็ตามนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าผู้ใฝ่ธรรมต้องมีนะคือแยกแยะได้ว่าอะไรคือความถูกใจและความถูกต้อง เรื่ม่อต้องแยกระหว่างล้วเม่อต้องเลือกระหว่างความถูกต้องความถูกใจก็ต้องเลือกความถูกต้องไว้ก่อนนะอะไรที่ไม่ถูกต้องแม้มันจะถูกใจก็ไม่ยินดีทีนี้บางทีเราได้ข่าวนะผู้ค้ายาถูกวิสามันคนก็ชื่นชมสารเสริญกันใหญ่ก็ะอะไรผู้ค้ายาเนี่มันเป็นคนเลว แต่ไมไ่สนใจนะว่าไอ้ที่เขาถูกวิสามันเนี่ยนะมันมีความไม่ถูกต้องเพราะว่าคนที่ตายนี่ไม่มีอาวุธนะหรือว่าไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยแต่ถูกวิสามันเนี่ยไอ้การวิสามันเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะแต่ว่าคนก็เ hey, ฮยินดีเพราะอะไรเพราะผู้ค้ายามันเลวนะตายไปสักคนมันก็ถูกใจนะแต่ว่า ไม่เลยสนใจเลยนะว่ามันเป็นความไม่ถูกต้องทุกวันนี้คนรอยมันต้องมีสำนึกนะความถูกต้องให้มากอย่าไปไปลหลงไหลกับชัยชนะหรือว่าความถูกใจโดยเพราะถ้าเราเนี่ยปรารถนาความถูกต้องดีงามในสังคมคนที่ดีใจนะในชัยชนะที่เกิดจากความไม่ถูกต้องเนี่ย หลายคนก็อ้างนะวันนี้ฉันเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในความในธรรมะนะแต่ว่าไอาสิ่งที่ทําเนี่ยมันเป็นการไปส่งเสริมความไม่ถูกต้องมากกว่าอันนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเอาไว้นะโดยเาะในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยมันมีสือ่อมวลชนต่างๆมากมายนะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าในทุกวงการเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มุ่งแต่ชัยชนะมากความถูกต้องในวงการกีฬานี่เห็นได้ชัดเลยจะโกงยังไงก็ได้นะขอให้ได้ชัยชนะแล้วคนก็ยินดีกับชัยชนะของทีมตัวแม้จะได้มาด้วยการโกงด้วยการได้วยความไม่ถูกต้องก็ตามอันนี้เพราะนี่มันต้องมีนะต้องมีความหนักแน่นมัน่นคงต้องมีสตินะ ต้องมีสติทักท้วงนะเวลาเราเวลามันมีผลชนะที่ทําให้ยินดีขึ้นมาก็ควรจะทักท้วงว่าอย่าไปยินดีนะกับควา ม, มกับความถูกใจหากว่ามันไม่ถูกต้องนะอเนี่ยอดี๋ยวไปเพลิดเพลินกับความกับชัยชนะหรือความถูกใจนะจนลืมความถูกต้องแต่ธรรมดาคนเรานะมันมีกิเลสนนะี่ยเวลามันมี ผลได้ผลที่ถูกใจมันก็ผลไม่ได้ที่จะยินดีก็ธรรมดาแต่ว่าต้องรู้จักทักท้วงมันอย่าไปยินดีนะแม้มันจะถูกใจแต่ว่าก็ไม่ยินดีถ้ามันไม่ถูกต้องฝึกเอาไว้นะเวลาดูกีฬานะเวลาดูข่าวคราวต่างๆรวมทั้งข่าวคราวหรือเหตุการณ์บ้านเมืองแม้กระทั่งกรารวิภาวิจารณ์ทางโซเชียลมีเดีย นี้เห็นกันเยอะเลยนะไอ้บางคนนี่เขาก็ถูกวิจารณ์ถูกด่าทอด้วยความด้วยถ้อยคาที่หยาบคายแต่คนก็เฮโลนะดีใจเพราะว่าไอ้หมอนนั่นเนี่ยฉันไม่ชอบนะเป็นคนที่ไม่เคาท่าโดยที่ไม่ได้มีความไต่ตองหรือว่าเขาได้รับความเป็นธรรมไมที่เขาได้รับเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมไหมแม้ในการ ปฏิบัติธรรมนีของพวกเราเนี่ยมันต้องมีสํานึกเรื่องความถูกต้องความเป็นธรรมเอาไว้อย่าไปหลงไหลเผลอไผลไปกับความถูกใจนี่ยในที่จริงเนี่ยมันมีสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นนะอย่างเช่นเวลาเราไม่ชอบใครเนี่ยแล้วเรานินทานเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยหลายคนมีความสุขกับการนินทานคนนั้นคนนี้ เดี๋ยว่าคนที่เตือนไม่ชอบจริงเนี่ยไอ้สีข้อที่สีเนี่ยที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยไม่พึงโกหกไม่พึงพูดจาเพ้อเจอ้อพูดจาส่อเสียดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นการทวนกระแสกิเลสของคนนะเพราะว่าคนเราเวลาไม่ชอบใครเนี่ยเกลียดใครเนี่ยมันก็มักจะชอบแดกดันส่อเสียดทนะั้งที่รู้ว่ามไม่ถูกต้องนะแต่ว่ามันถูกใจ เวลาเราดินทาใครเนี่ยมันเกิดความถูกใจพอใจขึ้นมาก็ให้มีสติยั้งเอาไว้เออนี่นี่เรากำลังนะละทิ้งความถูกต้องนะไปเอาความถูกใจซะละมันต้องเริ่มตรงเนี้ยตรงนี้แหละนะหลายคนบอกว่าโกหกเป็นสิ่งจำเป็นนะเพื่อความอยู่รอดแต่การดินทานี่มันไม่ได้เกี่มันไม่ไป็นเรื่องความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดทางอาชีพรเลยเลย แต่มันทำแล้วเมามันนะเมาหมอยม์ี่เมามันมันมันทั้งที่อาจจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวถึงแล้วถูกนินทาในแง่เนี้ยนะคนเราเนี่ยถ้าเราเลือกเอาความถูกต้องมาเอาความถูกใจเนี้ยเราก็จะเบรกยับยั้งใจตัวเองเอาไว้ไม่ว่าเราไม่ควรทํานะเพราะว่าอ่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เพิ่อนพราะคนเราเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมใส่ใจตรงนี้เนี้ย เวลานินทาใครเราเราจะมีความสุขมากเพราะมันถูกใจนะเวลาเราได้นินทาคนที่เราไม่ชอบนินทาคนที่เราโกรธเราเกลียดเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้อง น, นะงั้นถ้ารู้จักทักทวงใจตรงนี้บ้างมีสติเอาไว้ไม่ยินดีกับการไปนินทาใครเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะค่อยๆเสริมสร้างสํานึกเรื่องความถูกต้องเอาไว้ในใจเรา ถึงเวลาเราไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเกี่ยวกับคนที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจแล้วเขาไม่ได้วความเป็นธรรมเขาถูกกลั่นแกล้งเราก็จะไม่ยินดีนะในความเดือดร้อนในความชิบพายของเขาแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะถูกใจเราแต่เราไม่ยินดีเพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกต้องและสิ่งที่มาช่วยทำให้คุณธรรมใน ใ, นใจเรางอกงามมั่นคงแล้วก็ส่งเสริมเมตตาธรรมในใจเราด้วย าะถ้าเกิดว่าเรายินดีหรือสะใจในความจิตหายความเดือดร้อนของคนที่เราไม่ชอบโดือพ่อเขาเจอกับความไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะบั่นทอนความเป็นมนุษย์ของเราเมตตากรุณาก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเราก็จะมีจิตใจที่เรียกว่าแหละชื่ไรคุณธรรมหรือหยาบก็ได้ซึ่งนั่นก็คเป็นงที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้นะ ความถูกใจมันบดบังความถูกต้องนะชัยชนะแมะ้จะเป็นสิ่งที่น่ายินดีก็อย่าให้มันมาบดบังความความถูกต้องความยุติธรรมเอาไว้